เป็นการเวลาที่เราแสวงบุญเดือนเ็ถึงเดือนที่สองเพ็ญสอเพื่อแสวงความดีเข้าสู่ใจเพื่อใจจะมีํำลังฟาดเวี่ยงกับข้าศึของวัตวุน วัตจิตนั่นแหละไืวัตตาอะไรต้อจิเ ต, ออตจเป็นตัวหมุนเวียนอยู่ตลอดม่นยังไม่รู้เรื่องของมันมันก็สนุกบีบบังคับหัวใจสั่โลกให้เป็นไปตามโดยไม่รู้สึกตัว เห็นรักนี่มันก็ไม่รู้มันมีอะไรทำให้รักทำให้เกลียดชังอะไมีอะไรทำให้เกลียดให้ชังมันก็ไม่รู้สุดท้านมันก็พอใจทั้งหมดธรรมชาติมันบงการยังไงมันก็พอใจไปทั้งมันมันไม่รู้จุกตัวว่าผิดหรือถูกประการใดนี่มันลึกลับ ก็อพอใจเลียดโกรธก็พอใจเนี่เป็นเรื่องของธรรมชาต น, นี่แสดงออกแล้วมันพอใจทั้งนั้น ได้ชัดเจนและทําลายได้เลยอ ค, ความว่าโลกมันจะหมายถึองอะไรหมายถึงโลกกับธรรมนั้นหมายถึงคู่ต่อสู้กันดีมันเป็นคู่เคียงกันมาแล้วแต่ใครจะหนักกว่าทางไหนทางไหมันแต่ฝ่ายไหนมีมากอินฝ่ายโลกในหัวใจมีมากคงก็พัดผันน้องใจ ายทำเมีย ใ, ใจมากมันก็พัฒน์ธรรมชาติ น, นั้นถ้าอยู่ด้วยกันแล้วจะต้องเป็นคู่แข่งกันคู่ต่อสู้กันอยู่ตลอดไปมีมากมีน้อยต้องต่อสู้อยู่ตลอดจนกว่ า, วาไม่มีซะเลยมีอันเดียวเรื่องจะมีอันเดียวนั้นได้ก็คือหมายว่า ธรรมชาติที่มีอันเดียวนี่เป็นผู้มีกําลังต่อสู้ลาดฟันกินทําอะไรยลงไปท้ายในจุดเดียวกันถึง <c oughs> จะมีอันเดียวนนั้เอกระทำเอกรจิตอันเดียวทีนนี้ไม่มีอะไรมาเป็นผู้ต่อสู้ส ที่ดูอย่างท่า น, นนิพพานมีอะไรไปแทรกเกิดในนิพพานที่ว่าปรฏิจจกความก่อแจกิจตา ย, ยท่านบอกไว้แล้วแล้วมีอะไรไปแทรกเกิดแทรกตายอยู่ใ น, นนิพพานมีไหมก็คือหมายความว่าไม่มีอะไรเข้าไปแทรกเกิดแทรกตายในขิจดวงนั้นไม่มีอะไระธรรมชาติบังคับขิจดวงนั้นให้เกิดแก่กิจตายเหมือ น, นแต่ก่อนนั่นแหละท่านหมด อย่เดียวบัลลมบัลลุมมาสุขป ร, ม, ม, ขรมังปรมังนะสมัยที่ว่าย่อมยอดเยี่ยมนี่คือว่า ม, มีอะไรเสมอเลยไม่เป็นเหมือนโลกทั้งหลายเป็นกันไม่สุกเหมือนโลกทั้งหลายสุกกันโลกจะมีมากขนาดไหนเป็นโลกกว่างนั้นถุกคนไม่มีอะไรเหมือนเนี่ยมีอันเดียวเท่านั้น น้ำป่ารังสุ ข, ขงังไปหมดนี่ก็เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่สุดเอื้อหมดหวังนะที่พูดไปนี่นะมันจะต้องขาาทันทีอาจิตเนี่ยยึดดวงนี้มันทำนี้ทานานเรื่องการขาดการฝันต้นเดาไปอันนี้ก็มีธรรมชาตินหนึ่งพาให้มันเป็นนั่นแต่เราก็ไม่รู้อีก ชุดยเอื้องหมดหวังวันนานยังอีกเท่านั้นเท่านี้คาดป้าค่าไป น, นู้นคาดไปลงไปแล้งที่ไหนมันมีอยู่ที่ไหนนัานๆความจริงมันก็อยู่กับตัวที่มันแสดงอยู่นานะตัวคาดกับตัวนี้เองค่าไปนู้นกับตัวนี้เองคาดลมคาดแล้งหลับตาไปกับตัวนี้เองนี่ แต่พอย้อนเข้ามาหาจะมีที่ไหนไปที่ไหนมันก็ไม่มีมันมีอยู่จุดเดียวที่มันแสดงอยู่นั้นเท่านั้นพอมันย้อนเข้ามาที่นี่มันก็มาทราบกันที่นี่ก็ทําลายกันที่นี่หมดแล้วมันสูญเอื้อมหมดหวังไปที่ไหนอีกมันก็อยู่ที่นี่นี่นี่อยู่มันละเอียนมากจริงๆธรรมชาตนี้มันถึงได้ครองโลกครองจิตวิญญาณของแต่ละดวงมาดวงได้อย่างไม่มี อินยานดวงในทราบมันเลยเรื่องของมั น, นยอมจำยอมมันตลอดเลยนิมมันมีอบนหัวใจเราจำยอมตลอดแต่เป็นเรื่องมากเรื่องน้อยเรื่องอะไรก็ทำมันไม่ให้รู้เรื่องทั้งนั้นแหะกาสติปัญญาหยั่งลงไปหยั่งลงไปสร้างลงไปเรื่อยๆซ่งไม่เคยเห็นละ สติปัญญานี้ก็ไม่เคยมีสติปัญญาประเภทที่จะฆ่ากิเลสเนี่ยไม่เคยมีเรียนเท่าไหร่ก็เรียนเถอะรักพูรัก ส, สา ธ, สาธุเรียนจบ พ, พัะไตรปิฎกก็เถอะไม่ใช่สติปัญญาที่จะมาฆ่ากิเลสนี้นะฟังให้ดีนะสติปัญญานี้เป็นสติปัญญาของโลคิยาปัญญานั่นไม่ใช่โลคุตระปัญญาจะมาฆ่ากิเลสได้ยังไง ตโ บ, บรามันจะเป็นมันก็เป็นของมันเองคลิกของมันเองโดยอาศัยโลกิยะปัญญาอาศัยปริ ญ, ญาติที่เราศึกษาเข้มาเยนมามากน้อยนั่นแหละนั่นแหละเป็นเงื่อนแต่ไม่ใช่อันนั้นอาศัยอั น, น, นมามาเป็นปัญญาควรแกการฆ่าครับพิกควรแก่การฆ่าธรรมชาติอันนี้ควรแกการรู้เห็นธรรมชาติอันนี้เนี่ย กมามลูกของนี้ไม่ใช่ปัญญาอะไรธรรมดาทรรมดาเพื่อไปที่ใช้กันอยชน์นี่เต็มโลกเต็มมิสสาราก็เถอะไม่มีปัญญาใดที่จะไปแต่ต้องมันได้ถ้าไม่ใช้ปัญญาธรรมที่ควรแก่กันเท่านั้นปัญญาธรรมก็หมายถึงปัญญาภาคปฏิบัติมันนเป็นขึ้นมาเองเกิดขึ้นมาเองดังที่พระเจ้ า, รราท่านมาทำเกิดทำเกิดนั่น ทําเกิดก็เหมือนกิเลสเกิ que, ดนั่นแหละมันอยู่ยังไงมันก็เกิดขึ้นมันได้ตลอดได้ทุกอิริยาบถได้ทุกอาการที่เคลื่อนไหวมันเกิดได้ทั้งนั้นกิเลสพอจิตเคลื่อนไหวครับกิเลสก็เกิดทันทีทันทีเพราะมันเคลื่อนไหวด้วยอำนาจของกิเลสไม่ใช่เคลื่อนไหวด้วยอำนาจของธรรมกิเลสที่เกิดได้ทุกระยะทีนี้พอมันเคลื่อนไหวด้วยอำ<ใ>นาจของธรรมนะทำเกิดได้ทุกระยะสติธรรมปัญญาธรรมหรือว่าไงเกิดได้ทุกระยะตัวอย่นี่ เหรียญมีความแรงขนาดไหนมาดั้งเดิมเอาทําก็มีความแรงเช่นเดียวกันนั้นเมื่อเวลามีกําลังแล้วก็รุนแรงกันจนกราทั่งถึงเอากันอยู่ในเงื่มมือของปัญญาประเภทนี้นี่หลพระพุทธเจ้าคดีเส า, าข่าพคดีฆ่ายี่เหลียญได้ด้วยปัญญาปร ะ, ประเภทที่ว่าเนี่ยเกิดเองเกิดในจิต น, นี่เป็นประเภทที่ฆ่าฤทธิ์สติก็ไปจากสติเริ่รู้กู่ครานีญไปเรื่อกกนนยๆต่อไปก็ค่อยตั้งได้จังหนึ่งคือสัมปัชญะสติที่ตั้งตั้งเรื่อยๆอย่างนี้เสมอยแต่เมื่อตั้งเรื่อยๆเรู้รู้รู้เรื่อยๆท่านสติพอมันเชื่อมมันเข้าเป็นความรู้สึกตัวอ่ะพอเชื่อมมันเข้าสติยืดยาวไปก็เป็นสัมปัชญะ รู้สุดตัวไปเรื่อยๆถ้าจากความรู้สึกตัวจากความรู้สึกตัวขึ้นไปก็เป็นมหาสติปัญญาก็ลงดูกู่านเหมือนกันคิดนั่นคิดนี่ก็คิดผิดคิดพ้าชคิดอะไรต่ออะไรเจริไปเรื่อยธรรมดามีถูกมีผิดมีฝืดมีเคืองในการคิด อ, ตอีตันอันตู มันไม่อยากออกกิเลสปิดไว้ไม่ให้ออกถึงเวาลามัน ก, ออก็มันก็ค่อยออกของมันเลยเร่อเจนกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาอะทีนี้อันนี้เป็นคู่ควรอย่างยิ่งถ้าอนนี้ได้เผยกันแล้วแน่ที่สุดว่ากิเลสนี้นับวนันเช่นเดียวกับโคหรือสัตว์ปานอาทิตย์เทอเอามาเลี้ยงไว้เต็มบริเวณที่เขาเลี้ยงสัตว์ เพื่อค่าเนี่นแหลตัวนี้ตายวันนั้นตัวนั้นจะต้องตายวันนั้นตัวนั้นจะต้องตายวันนั้นจนไม่มีอะไรเหลืออะไรสัว์นี่ยที่บริเวณที่เลี้ยงเนี่ยเต็มไปหมดเนี่ยก็ไม่มีเหลือเขาตายไปวันนั้นเท่าไหร่เท่าไหร่เรื่ อ, อยเจนกระทั่งหมดวที่จะมาเพิ่มอีกของการเลี้ยงสาสตร์เขามีอะไรมาเพิ่มนะแล้วเขาซื้อเรื่อยมาในเรื่องของกิเลสไม่มีเพิ่มพระองค์สติปัญญาคำนี้ได้เกิดแล้วไม่มีเพิ่มเรื่องกิเลสนะ มีแต่วันตายไปตายไปเท่านั้นแล้วจะ อ, อะไรมาเหลือมันชัดเจนอู่ขนาดนั้นสติปัญญาประเภทนี้่ไม่เคยรู้มันก็มันก็ชัดมันอย่างนี้เมื่อรู้แล้วมันก็รู้รู้ก็ไปเรื่อยๆชัดเข้าไปเรื่อยๆอย่างสติปัญญาประเภทอกห้ามหันกับยิ่งเลี้ยอย่างไม่มีท่อถอยมีแต่ความมุ่งมั่นขันแข็งที่จะเอาให้ให้อยู่ในขณะนั่นขณะนั้นเหมือนอย่างนั้นนะ่ะนี่ที่นี้มนเมื่อไปอย่างนั้นแล้วมันจะไกลไปไหน ร่นอยู่นี่ที่ไหนมันเขาไม่คว้าเน so, ี่ยไม่คว้าไปเอาอยู่กับเหตุกับผลที่มันกับผลที่มันแสดงกันอยู่นั่นนั่นแหะสู้กันอยู่นั่นะเหตุอยู่ที่นั่งก็สู้กันอยู่ทรงที่เหตุผลก็เกิดขึ้นที่นั่นสติปัญญาอันนี้หลับเป็นค่าเรื่องค่าพิเดศก็ขาดไปขาดไปขาดไปขาดไปเื่อยๆไม่มีพิเดศใหม่เกิดขึ้นมาได้อนี้แต่ที่มันมีแต่เก่าก็หมดไปส่วนสติปัญญามันขึ้นไม่ถอยนี่เช่นเดียวกับพิเดศที่เคยเกิด ในหัวใจเคยครอบงําหัวใจนั้นเนี่ยนี่สติปัญญาเข้ารักษาใจก็เหมือนกันเพราะจริงๆว่าสติปัญญาเป็นเจ้าของจิตจิตนี่อะไรเป็นเจ้าของสติปัญญาเป็นเจ้าของนะต้องสติปัญญาได้เข้าถึงจิตได้สนิทด้วยมหาสติมหาปัญญาแล้วเอาที่นี่เอาลงไปเกิดเองเกิดเองเอยงูไหนเกิดไม่ขาดไม่ฝันเกิดได้หมดสิงอย่างพระเราก็ชั้นขันนี่เอาที่ มันอยู่เมื่อไหร่ไม่ได้อยู่กับลิ้นกับปากไม่ได้อยู่กับอาหารหวานเค้าอะไรมันอยู่กับเหตุกับผลกับการต่อสู้กิเลสอยู่อย่างนั้นตลอดไม่สนใจกับรถกับชาติอะไรนี่นถึงขั้นมันมันหมุนติ้วหมุนอย่างนั้นแหละเหมือนกิเลสหมุนนั่นแหะธรรมหมุนก็เหมือนกันนะเพราว่าโลกกับธรรมนี่มันเป็นคู่เคียงกันมาอย่างนั้นจะว่าไง โรคต้องเป็นโรคถ้าเราพูดเท่านันเต็มป่ากคือว่ากิเลสมันต้องเป็นกิเลสกิเลสพาให้เกิดโลกหากเกิดแก่เกิดตายทำมาให้ดับยังไม่ดับก็ยังสู้กันให้พออยู่ได้เป็นไปได้เช่น ค, คนเกิดสถ า, านที่ดีอตัตติที่งานวิถีไปสวรรค์ไปพรมโลกอย่างนี้น่ะก็พราบุญพาไปบาปไม่ได้พาไปนี่นะนั่นลงนรกอเวจีรับทานการรมทับโทษต่างๆทุกทรมารต่างๆด้วยหน้าแห่งกรรมช่วยเนี่ยเรื่องกิเลสมันพาให้เป็นอย่างนั้น มันเป็นคู่กันมาอย่างนี้คนเราจึงวันวันเวลาในหนึ่งจึงมีความสุขความทุกข์สับปนกันไปสับปนกันไปอยู่อย่างนั้นแล้วย่นเขาย่นเข้ามาภานในจิตก็จิตมันเป็นอย่างนั้นนี่นี่อันหนึ่งขนาดนี้จิตเป็นอย่างนี้ขนาดนั้นจิตเป็นอย่างนั้นยิงทําให้เกิดความสุขบ้างเกิดความทุกข์บ้างตามขนาดของจิตที่จะแบกรทางที่ถูกและผิดนี่เราดูเจ้าจิตนี้เลยภพชาติมันก็เป็นไปจากจิตเกิดในภพนั้นพภกนี้มันเกิดไปจากจิตทั้งนั้น กิจพระธรรมชาติอันหนึ่งหมุนกิจพระให้ไปแล้วในขณะเดียวกันทำก็หมุนพาไปเหมือนกันถึงวันรัของใครที่ควรจะได้ทีก็เอาพาให้เกิดในสถานที่ดีก็อำนาจของทำเอาไปถ้าเกิดใน ท, ท, ที่ที่ชั่วอำนาจของที่เลสเอาไปส่วนชื้อคืออวิชชาท่านเป็นพื้นแม้แล้วนะ่ะเชื่อมความเกิดเกิดดีเกิ ด, ดชั่วมันเป็นนิบาดนะึงที่เกิดจากการทําดีทาชั่ว มันจึงเป็นจังหวะจังหวะจังหวะจนกระทั่งจิตมันเพื่อต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข่าศึกของตัวเองออกซะหมดแล้วอันทุกข์ไม่เป็นขนาดที่นี้จิตนั่นแหละในขันในธาตุที่ทรงธาตุทรงขันของจิตอยู่นี่แหละแลไม่มีคําว่าจิตขนาดหนึ่งเป็นอย่างนั้นขนาดหนึ่งเป็นอย่างนี้ไม่มีเพราะอะไรจึงไม่มีเพราะไม่มีสิ่งให้มีที่เรียนนั่นแนหะพาให้เป็น เราคิดป็นแง่ต่างๆเพราะมันไม่มีจะเอาอะไรมาเป็นพนเหลือแต่ตะขันมีตะขันมันก็ดิ้นก็ดีตามภาษีภาษาของมันฟังแต่ว่าขันขันนะก็รกิดมันเป็นเดียวกันหมดเลยมันเกิดจากกิดแตมันไม่ใช่จิตแน่รู้จะทัดอยู่ในหัวใจคไม่มีใครจะรู้นั่นนี่ยถ้าไม่ใช่ภาคนักปฏิบัติหรือภาคปฏิบัติเจ้าความสําคัญมันหมายไปจับไปรู้อมันจับไม่ได้รู้ไม่ได้จนตายก็ตายทิ้งก่อน พอภาคปฏิบัติเข้าไปจับดังพระพิทธเจ้าและสาวกมีแภาพปฏิบัติ ท, ทั้งนั้นท่านจับมีแต่าภาคปฏิบัติทั้งนั้นพ า, ายท่านดีเสดปริยัตจํามาแล้วเอาที่ก็บอกแล้วเป็นพื้นเพื่นมาท่านพูดก็ไม่มีผิดเลยก็เบียดนึงก็ไม่มีปริญัตเนี่ยแตจเกา่ยวกัการทิศสาเห็นเราไปบวชกุศลย์อุปชามอบปริยัตให้แล้วการศึกษาอเกศาเรามาหน้าขาดตาตาจบย่อๆอ่อนนี่ก่อนนะเวลาไม่เที่ยงพอให้ฟังดิ กันได้มาแล้วปริญญาปฏิบัติก็เอาไปพิจารณาสิเชษารวมานะคะาคารศาสจุเป็นต้นนั่นนี่แล้วูจะย่อนะมันเป็นภาพาปฏิญาตภาพปฏิบั ต, ติทีนี่มันจะรู้ไปโดยลำดับรำดาจากการปฏิบัตินี่แหละความรู้วันนี้เป็นความตัวปฏิบัติของเราแท้ไ ม, ม่เหมือนกับความรู้ที่จํามาจมาํมามาเรียนมาบ้างเท่าไรก็ตามมันเป็นความจําความจํานั้นเป็นออกมาจากธรรมพระเจ้ามันเป็นเพียงความจําหยิบยืมา ม, ามาเพื่อจะเอาความจริงในใจของตัวเอง จากภาคปฏิบัติตัวเองเป็นของตนเองแท้เนี่ยเพราะฉะนั้นภาคปฏิบัติจึงเป็นเป็นภาคที่จะเอาความจริงออกมาให้เห็นเหตุเห็นผลได้เต็มหัวใจคุณง่ายว่าเต็มอัดเต็มทำเต็มูที่นี่ผ้นี้แหละผู้จะรู้มันจะมืดมาแสนมืดก็ตาม มันจะเปิดขึ้นที่จัดที่จิตนี่แหละไม่เปิดที่ไหนนะตัวนั้นนะตัวมันหลงเพราะมีธรรมชาติภายหลงอย่างนั้นภาห้มื่อเตื่อยอยู่ในหัวใจจะเป็นอะไรไปดินฝ้าอากาศเขาต้องเป็นของเขาเขาไม่ได้เป็นกิเลสเนี่ยสิ่งทั้งหลายที่นอกไปจากนี่แล้วทั่วดินแดนโลกธาตุอัดแน่นอยู่ด้วยวัตถุอารมณ์สิ่งต่างๆทั้งหลายมันก็ไม่ใช่กิเลสมันเป็นกิเลสอยู่ที่จิตนี่น่ละฮะเป็นยินที่เท่านั้นยิงแก้กันลงที่นี่ มันไปเกี่ยวข้องสัมผัสสัมผัอะไรมันก็เสกสรรปัญนดอกขี้เหลี่ขึ้นมาภานใจตัวเองเห็นสิ่งนั้นได้ยินสิ่งนี้มันก็เสกขึ้นมาที่นี่เสกกว่านั่นดีอันนี้ไม่ดีออันนั้นน่ารักอันนี้น่าชังอันนั้นน่าเกลียดอันนี้น่าโกรธมันขึ้นในหัวใจนี่มันมี่ถึเป็นเรื่องที่มันมีอยู่ในใจเนี่ยมันแสดงตัวสิ่งเหล่านั้นเขาไม่ได้แสดงนะา่านจึงทำจิงแก้ที่จีดที่จีดที่จีดที่จีดอยู่เลยพอมันเข้าใจกันแล้วมันจะมีอะไรสีนี้ ว่าไม่มีก็มีว่าไม่มีก็ไม่มีเพราะตัวนี้ไม่ออกไปสําคัญเท่านั้นสิ่งใดก็มีเป็นอยู่อย่างนั้นตั้งแต่เรายังไม่เกิดหนึ่งมันก็มีมันเป็นของมันมีเกิดมีดับของมันไปเรื่อยเมันไม่มาเกี่ยวข้องกับเราอืมเราเป็นผู้ไปให้ความหมายแล้วไปหลงเขาต่างหางนี่เมื่อแก้ผู้นี้ให้รู้ตัวสิแล้อย่างเดียวเท่านั้นสิ่งั้างหลายจะรู้หรือไม่รู้เขากเป็นธรรมชาติเป็นความจริงเขาอยู่นั้นมันตัวนี้ตัวต่างตหาเป็นตัวจองหองผู้ง่าย ดัดส้นดานมันยให้มันแหลกลเไปใช่ไหมมันก็สบายเรื่องสบายก็มมีวิาการนั้นจะหมดเวลาอันนี้จะหมดเวลาเหมือนสิ่งทั้งหลายที่เป็นอยู่ในโลกสมมตินี้อันนี้มันอยู่ได้เวลาเดี๋ยวก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็เป็นนี้หาควาแน่นอนไม่ได้โลกทั้งนี้ท่านเดียวว่านิจจังผู้ขังหน้าตาเหตุที่เป็นธรรมชาติ ล, ล้วนของกิจทองธรรมแล้วนั้นมันไม่มีคำว่า น, นิจังทุกขังหน้าตาเอาอะไรไปมีอถ้าเอาิงเหล่านี้ไปจับอยู่ในตรงไหนไปติดอยู่ในตรงไหนจะหาความแน่ น, นอนไม่ได้จะต้องพังวันหนึง่งจนได้เลยแหละอันนี้หนามันคงขนาดไหนก็ไม่พ้นที่มันจะพังเพราะ น, นิจังทุกขังหน้าตาอยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยแตธรรมชาติของกิจที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วมันไม่มีอันนี้แล้วจะวอ่าอมันพังแต่จว่านิจ นิพพานเที่ยงนิพพานเที่ยงจะหมายถึงอะไรถ้าหมายหมายถึงกิจถึงธรรมที่บริสุทธิ์ภายในหัวใจใจกับธรรเป็นอันเดียวกันแล้วเท่านังไม่มีหาอะไรก็ไปถึงสามัญนกกระทานนี้ตายทิ้งเป๋าถ้าหาลงตรงนี้เราจะเจอแล้วไม่หายตงสัยทันทีเลยอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอไม่เคยลูกก็ตามลูกแล้วไม่สงสยัยคําว่าสันติทิฏวงุลเจ้าจึงเด็ดขาดที่สุดนั้นหัวใจของผู้ปฏิบตัติเป็น ตามขั้นตามภูมิเริมดำเนินจงกระทั่งถึงวลาระสุดท้ายสามติ ส, สโก้นี้เด็ดขาดมากทีเดียวไม่ต้องไปถามใครละตัดถึงถึงกันมาที่นั่นแล้วพอนี่เอาละนี้เนาะไม่บอกว่าแต่เกินไป